อมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองอาราวีได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่จริงเมืองอาราวีนี่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ต, ตอนนี้ก็คือที่ตอนที่พระองค์ได้แสดงธรรมเรียกว่าสนทนาธรรมดีกว่านะกับลูกสาวช่างผูกหรือช่างทอผ้าซึ่ง <c oughs> มีความฉลาดอตอบคําถามของพระพุทธเจ้านี่คนอรือไม่เข้าใจนะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่เข้าใจแต่าภายหลังในการหลังการสนทนานั้นนางก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมพระโสดาบันอายุก็ไม่มากนะสุดเจ็ดสิบแปดได้แล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นอันนี้ตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าเป็นเหตุการณ์รรดเดียวเหตุการณ์ในคราวเดียวกันหรือเปล่าลก็คือว่าในเมืองนั้นเนี่ยมันมี ชาวบ้านที่ยากจนคนหนึ่งเมื่อรู้ว่าผู้เจ้าเสด็จมาที่เมืองอาราวีก็ตั้งใจจะไปฟังธรรมในเช้าวันนั้นแต่เงินพอตื่นขึ้นมาพบว่าวัวนี่หายไปวัวหายไปก็เลยต้องไปตามวัวกว่าจะเจอวัวได้นี่ก็สายแล้วก็คิดว่ายังไม่สายเกินไปนะที่ได้ไปไปไปฟังพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้า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 ชายเห็นใจคนนั้นนะจุงวัวมาแล้วก็มาเฝ้าพระเจ้าประโยคแรกที่พรงถามก็คือว่าอาหารยังเหลืออยู่ไหมอาหารเหลือก็เลยให้ชายคนนั้นเนี่ยได้กินอาหารก่อนคนเป็นร้อยก็รอนะรอชายคนนั้นกินอาหารจนเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรม ก็เป็นเรื่องที่เคยแสดงในที่อื่นมาแล้วนะนุษบุพิกาาแล้วก็ตามด้วยอรสัตย์ศีนุบุพิกาาคือพูดถึงเรื่องของอาณศีลแล้วก็สวรรค์สวรรษนี่คืออ น, นิสงค์ของธาตุศีนนะแล้วก็พูดถึงโทษของกามก็คือโทษของสวรรษนั่นแหละแล้วก็อ น, นิสงค์ของการออกจากกามในธรรมะแล้วก็ตามด้วยอรสัตยศี ชายผู้ น, นั้นได้ฟังพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นโนโกสวดปัตตนเรื่องนี้ก็มีคําถามต่อมาว่าทมไยพระเจ้านะในวันนั้นเนี่ยถึงอทำไม่เหมือนครั้งอื่ น, นก็คือว่ารับอฉันทำพิธีกรร เ, เสร็จแทนที่จะแสดงธรรมก็รอชายผู้ น, นี้แล้วก็รอแล้วเนี่ยไม่ได้แสดงธรรมทันทีก็ให้ชายผู้ น, นั้นเนี่ยได้กินอาหารซึ่งก่อน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 ในการ่อยควรทำแต่พอว่าได้กินอาหารแล้วนะจิตใจสบายแล้วการฟังธรรมก็เป็นไปได้ ง, ง่ายในเหตุการณ์เนี่ยที่ระ้จักจัดว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งแล้วก็สังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลเนี่ยควรทำควาเพียรเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานเพื่อให้ความุเพื่อ้นจากทุกข์ ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารก็เป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณหนึ่งนะที่พร่งแสดงธรรมหลังจากกินอาหารแล้วแต่ก็มีบางกรณีนะต้องแสดงธรรมก่อนกินอาหารนะากพระเจ้าเปรตที่โกศนี่อ้วนมากจนกระทั่งจะยืนจะนั่ง กราสนี่ก็ลำบากเพราะว่าอยู่ดีกินดีพอมาประลบเรื่องนี้กับพระธเจ้าวันนี้มันอาจขับข้องโรงก็แสดงธรรมนะครับผู้เป็นคถาสั้นๆว่าผู้มีสติทุกเมื่อนะรู้จักประมาณในการบริโภคก็จะุเวทนาเวทน า, ทนาก็จะเบาบางนะแก่ช้าแล้วก็อายุยืนไ ป, ป็นตําแหน่งที่กสนไฟังแล้วก็ชอบ ก็เลยให้มหาเล็กนี่จำเอาไว้นะจำคาถาเนี่ยไว้แล้วก็ทุกมื้อนะั้นก่อนจะกินอาหารก็ให้มหาเล็กนี่แหละกล่าวคาถานีนะ่สั้นๆ น, นะแต่ว่าพระเจ้าประเสริฐนิกรสนไม่รู้ว่าจำไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นคงคิดหลงคิดลืมก็ได้ก็เลยต้องให้มหาเล็กท่องให้ฟังขอท่องให้ฟังเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิกรสนก็จะได้สติทําให้กินอาหาร อ่าพอประมาณไม่กินต่างใจกิเลสก็ปรากฏว่าพอกินเบลพอกินพอประมาณนะรู้จักประมาณในการกินสุขภาพก็ดีขึ้นน้ําหนักก็ลดน้อยลงเดินเทินไปไหนมา ไ, ไหนก็สะดวกก็ก็เลยอ่าชื่นชมในพระพุทธเจ้านะไปเฝ้าพระเจ้าก็ตัดสารเสริญว่าอ ะ, ะพูดธพุทสารเสวนพระพุทธเจ้าสอน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 เรื่องกายกระจายมันสัมพันธ์กันมากนะถ้ายังหิวใ้การที่จะฟังทำมันก็เป็นเรื่องยากหรือแม้กระทั่งหิวแล้วเนี่ยจะประพฤตตัวเป็นคนดีก็อาจจะลำบากนะอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วในเะมืองว่ากูจะเคยตัดไว้ในสูตรสูตรหนึ่งนะาพูดถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งผู้คนนี่จดนทุรไลเยอะมากนะทั้งคนทั้งฆ่า พระราชานี่เคยคิดว่าจะต้องเพิ่มโทษให้แรงขึ้นเช่นประหารชีวิตหรือวธทรมานแต่พอไปปรึกษาพรามพรามก็บอกว่าทำอย่างนี้ทำให้มีโจรมากขึ้นพรามแนะวิ ธ, วธททีที่ดีกว่านั้นนะก็คือว่าให้พระพราชาเนี่ยนำเอาคื่องันธัญญาหารไปแจกให้กับเกษตรกรอย่างทั่ถึงแล้วก็เอาเงินทุนเนี่ยไปแจกให้กับ ไปไปเป็นทุนในการค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ให้เอาเงินนี่แหละเงินเดือนเนี่ยไปใจ่ายให้กับอ่าราชการให้เททุถึงาถ้าทมเช่นนี้ได้นะกิจกลับก็จะลดลงอ่าพระราชาก็ทำตามนะบอกเขาว่าได้ผลจริงก็คือว่าโจรผู้รายลดลงอันนี้เพราะว่าเนี่ยนะ ก็พอพอมีพอกินไม่อดจากไม่ลําบากนะจนผูรายก็น้อยลงเป็นการลดจนผู้รายโดยที่ไม่ได้ใช้อํานาจไม่ได้ใช้อาชญาไม่ใช่ไม่ต้องเพิ่มโทษแต่ว่าใช้การกระจายโป๊กซัพ์ให้ทั่วถึงนะก็คือทําให้อิ่มท้องนั่นเองอันนี้ก็น่าแปลกที่ว่าพราหมณ์ก็ไม่ได้แนะนําว่าให้ไปเทศไปสอนเยอะๆนะคนถึงจะมีศีลธรรม แต่เพียงแค่ว่าทําให้เขาไม่หิวโหยนะทำมาหากินได้สะดวกจนภูริ์ก็ลด ล, ลงอันนี้ก็เรื่องของศีล ธ, ธ, ธรรมกับเรื่องปากท้องหรือเรื่องธรรมะการเกิดปัรยายงธรรมกับเรื่องของปากท้องก็สัมพันธ์กันนะฉะนั้นจะเล่นแต่เรื่องธรรมะโดยที่ลืมเรื่องปากท้องนี่ก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่รอบด้านเท่าไหร่แล้วก็เตรียมรับพร